วิริยเทุกข์ัดมัจเจติบุคคลล่วงทุกได้พระความเพียรคนเราเมื่อตั้งความหวังอะไรแล้วผิดหวังมักจะทุกข์ใจท้อใจและหมดกําลังใจในการต่อสู้อุปสรรคของชีวิตความอดทนความภาพเพียรพยายามก็ลดน้อยถอยลง จนทำให้หน้าที่การงานและชีวิตของบุคคลนั้นไม่สามารถเจริญก้าวหน้าและมีความสุขตามที่หวังได้สื่อธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนออนุภาพของความเพียรซึ่งเรียบเรียงโดยท่านธรรมวัตโทพิกุ แห่งวัดโสมรัฐวิหารกรุงเทพมหานครโดยสื่อธรรมสร้างสรรนี้จะเสริมสร้างกำลังใจให้มีความเพียรพยายามฟาฟัานอุปสรรคของชีวิตและพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจัดทมโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิน ม้วนที่สามเมื่อเขาแ้งทำเป็นไม่ยอมรับผ้าพวกชาวบ้านต่างก็พากันเลื่อมใสลาบสการาเป็นอันมากก็ได้บังเกิดขึ้นแก่เขา เมื่อได้รับการยกย่องจากมหาชนเป็นอันมากเขาก็ได้สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆฝ่ายพระอนาคามีซึ่งเคยเป็นสหายของท่านได้ทราบถึงความคิดปิปริตของท่านพระพายะจึงได้รำพึงว่า เขาได้บำเพ็ญสมณธรรมในการก่อนอย่างอุกฤษเช่นนี้ไม่ยอมฉันบินธบาตที่พระเถละนำมาบัดนี้เขาได้เที่ยวหลอกลวงชาวโลกอยู่ด้วยเหตุแห่งท้องเราจะทำให้เขาสลดสังเวชและบอกให้เขาทราบว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วแล้วในราตีนั้นเอง ท่านหมาพรมก็ได้ไปปรากฏข้างหน้าพระพายะเมื่อท่านพายะเห็นเท้าหมาพรมก็ได้ถามว่าท่านเป็นใครเนาะเราเคยเป็น <S <S สหายเก่าของท่านคราวนั้น เราได้บรรลุ อ, อนาคามิผลและบังเกิดอยู่ในพรหมโลกแต่ท่านไม่สามารถยังคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยท่านทําการกิริยาแล้วท่องเที่ยวไปบัดนี้ทรงเพศยิ่ยงเดร ถ, ถีเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงเราจึงมาเพื่อสั่งสอนท่านพาหิยะท่านไม่ได้เป็นพระอระหันเลยแม้ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุอรรตธรรมท่านก็ไม่มี เมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหรันต์ล่ะพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ปรอวดขึ้นแล้วในโลกบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณพระวิหารเทตะวันกรุงสาวถีพระองค์ท ร, ง, ทรงเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์อีกด้วยลำดัดนั้นท้าวมหาพรหมได้สั่งให้เขาไปเข้าเฝ้าพระศาสดา แล e e. ้วกลับไปยังพรหมโลกพัยะฟังคำของเทวดานั้นแล้วเกิดความสลดใจจึงรีบเดินทางออกจากท่าสุปะปรกะทันทีเมื่อไปถึงพระวิหารเชตวันทราบว่าพระพุมีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อบินธบาต พายะรีบออกจากพระวิหารเชตวันเข้าไปในนครสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตมีอินทรีสงบหน้าลื่อมใสจึงเกิดวิติทราบซ่านไปทั่วสรีระจึงรีบเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหมอบลงแท้พระบาทกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรม อันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพายะเวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเราจะเข้าไปยังละแวกบ้านเพื่อบินทบาทพายะกระหูนตอไปว่าอันตรอยแก่ชีวิตของพระองค์หรือของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่รู้ได้โดยยาก ขอพระภู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมอันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดตริว่าเวลานี้ปิติของพยะมีกําลังมากกําลังท่วมท้นทับสรีระของเขาแม้ได้ฟังธรรมแล้วก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยควรให้เขาได้พักผ่อนระงับความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางซะก่อน เมื่อดำบตริแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามเป็นครั้งที่สองเมื่อภาหยะไม่ละความเฮยามจึงได้กราบทูลนิกรเป็นครั้งที่สพระองค์ทรงแสดงธรรมว่าภาหยะท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจงสัตว่าเห็นเมื่อฟังจงสัตว่าฟัง เมื่อทราบจงสัตวะว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจงสัตวะว่ารู้แจ้งพาหิยะในการใดเมื่อเห็นจงสัตวะว่าเห็นเมื่อรู้แจ้งจงสัตวะว่ารู้แจ้งก็ในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ จิตของภายะหลุดพ้นจากอาสวะได้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จหลีกไปได้ไม่นานท่านภายะก็ได้ถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดตายพวกพิสุจึงได้นำชเชลระของท่านไปเผาแล้วทำสถูปบูชาไว้ เรื่องย่อของท่านพระพัยยะนี้ย่อมาจากพยญสูตรและอัตกถาเล่มที่25ข้อที่47หน้าที่ห0เรื่องนี้ให้ข้อคิดดังนี้ การทำความเพียรชนิดยอมเอาชีวิตเข้าแลกถึงตายก็ไม่ละความเพียรจัดเป็นความเพียรขั้นสูงสุดเป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากก่อนที่จะตรัสรู้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงนั่งขัดสมาธิที่โคนต้นโพซึ่งปูด้วยหญ้าคาทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายนี้ทั้งหมดจะหืดแห้งไปจนเหลือแต่หนังเอ็น และกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอันขาดเมืม่อกระทำสิ่งที่ทำได้โดยยากย่อมได้สิ่งตอบแทนที่ได้รับโดยยากคือได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงในอัตกักขาเทราคถา นิทานกถาวรารนาพระบุพ ร, รเจ้าตรัสอนิสงฆ์ของการบำเพ็ญเพียร5ประการคือ 1. ย่อมชื่นชมพระอรัตผลในปัจจุบัน 2. ย่อมชื่นชมพระอรัตผลในมรณะสมัย 3. ย่อมชื่นชมพระอรัตผลเมื่อเป็นเทพบุตร 4. ได้ตรัสรู้โดยฉับพันเฉพาะพระภักดของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 5. ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธศาสนากล่าวถึงสมบัติ3ประการคือมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติ น, ตนิพพานสมบัติคนส่วนมากติดในมนุษยสมบัติซึ่งมีความสุขน้อยมีทุกข์เจือปนอยู่มากหรือติดในสวรรค์สมบัติซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวจึงไม่อาจเข้าถึงนิพพานสมบัติได้ต้องเกิดแก่เจ็บตาอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดพิสุ ผู้เป็นเทวบุตรและท่านพระพยะไม่ติดอยู่ในมนุษสมบัติไม่ติดอยู่ในสวรรคสมบัติจึงทำความเพียรอย่างแรงกล้าอันเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน mm hmm. การที่ท่านพระพิยะถูกโคแม่ลูกอ่อนคิด ต, ตายนั้นเป็นเพราะกรรมเก่าที่ได้เคยกระทํามานั่นก็คือท่าน ได้เคยร่วมกับเพื่อนได้ล่อลวงยิงแาทยาไเปร่วมอภิลมแล้วก็ฆ่าทิ้งทรัพย์นังยิงแพทยาก็ได้จองเวรผูกอาคาดแม้ในชาติปัจจุบันนี้จึงได้มาเข้าสิ่งแม่โคตัวนี้แล้วขิดท่านพระพยะจนถึงแก่ชีวิตเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าแม้พระอรหันต์ก็ไม่อาจจะหนีพ้นจากกรรมได้ คนผู้มีความดีอย่างสูงควรที่จะสร้างสถูปหรือเจอดีย์เป็นอนุสรเพื่อเคารพ บ, บูชามีอยู่สี่อย่างคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอระหันต์พระเจ้าจักรพรรดิเกิดเป็นชายไว้ลายเป็นชายชาติมัวประมาทตัวเห็น มิเป็นผลทุกค่ำคืนตื้นลึกหมั่นฝึกฝนเพียรไปจนทีบบวายมิคลายเพียร ละเล็กละน้อ ย, อยป่าหน้าแรงปรากฏภาพขึ้นเบื้องหน้าเพียงใบไผ่และไม้พุ่มเล็กๆริมทารแห้งขอดเท่านั้นที่ยังดูเขียวนอกนั้นแห้งเกรียมมีแต่กิ่งก้านไร่ใบครันสายฝนมาเยือน ป่าดิบเขาแห่งนั้นพร้อมพัดพาความฉ่ำเย็นมากับกระแสน้ำตกความรุ่มร้อนก็ถูกปัดเป่าไปจนสิ้นนำมาซึ่งความชุ่มชื้นชื่นเย็นใบไม้ ค, อคอ่อยๆพรลิออจากกิ่งแห้งๆทีละะบสองใ บ, ใบต้นไผ่เต้แทงหน่ออ่อนที่ไม่ช้าแตกเป็นใบสีเขียวมอสปรากฏเป็นปุยสีมรกตบนแผ่นหิน เิร์นตามคาคบได้คลายมวลใบอ่อนพร้อมด่าตะกัวริมน้ำตกงอกใบรูปหัวใจออกมาจากเหลี่ยมผาไม่ช้าป่าก็เต็มตาอีกครั้งหนึ่งอลังการแห่งความสีเขียวยิ่งใหญ่เบิกบานชวนชื่นใจไปหมดด้วยพลึกพลายแ่นขนัดไปทุกขนทุกแห่ง ทั้งนี้เกิดเนื่องมาจากแต่ละใบไม้เล็กๆทีละใบทีละหน่วยมาประมวลกันเข้าทีละเล็กและน้อยบนผืนผ้าใบลินินสีขาวว่างเปล่านั้นก็เช่นกันปลายภูกันแต่งแต้มปาดป้ายสีสันลงไปจากความไม่มีอะไรเลยทีละครั้งทีละคราว แต่กร่างสร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยงามสดใสทั้งภาพก็กำเนิดมาจากฝีแปลงเล็กๆทีละเส้นทีละลายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งปวงมาจากองค์ประกอบเล็กๆทีละหนึ่งอย่างเสมอดังนั้นอย่าเพิ่งมองข้าม การเริ่มต้นลงแรงและความคิดฝันอันแรกสุดอีกทั้งในทุกคราวที่กำลังทำงานสารต่อความฝันนั้นแม้ว่าจะน้อยนิดจนแทบไม่เห็นความก้าวหน้าเพราะถ้าปราศจากการลงมือแต่ละครั้งเราย่อมไม่มีโอกาสถึงซึ่งวันแห่งความสำเร็จได้สิ่งเล็กๆในอน้อย น, นี่แหละที่เป็นคุณค่าและเป็นเป้าหมายอย่างแท้จริง ลองหลับตานึกถึงครั้งแรกที่เธอเขียนตัวหนังสือที่เธอพูดภาษาตามประเทศในเมืองนอกที่เธอพิมพ์ดีดวาดเขียนขี่จักรยานต้นหมาต้นแรกที่เธอปลูกสุนัขตัวแรกที่เธอเลี้ยงข้ามหม้อแรกที่เธอหุงเองและวันแรกที่เธอหัดขับรถยนต์หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และลองมองนึกถึงชั่วโมงยามที่เธอเบื่อนายท้อแท้และสับสนจนไม่แน่ใจว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่และจะทำไปเพื่ออะไรแต่หากวันใดเธอสำเร็จผลแล้วในการกระทำนั้นๆเธอก็จะเห็นด้วยตนเองว่าทุกทุกก้าวที่ผ่านมาช่าง น, น่าประทับใจจนรู้สึกขอบคุณวันเวลาแห่งความเหนื่อยยากและความภาคเพียร ของตัวเธอเองและเมื่อถึงวันนั้นเธอจงจารึกมันไว้เป็นความทรงจำที่แสนดีเพื่อความสุขความพอใจในวันหน้าหากเธอเกิดเผลอรู้สึกอีกว่ากำลังทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไร้ความหมายการทำความดีก็เช่นกัน เพียงเราเริ่มต้นกิจจรรมเท่านี้นก็เป็นก้าวแรกแ<ป>ที่สําคัญ<ป>ยิ่งแล้วจากใจไปสู่กายและวาจาจากสิ่งดีๆที่เราประกอบขึ้นหนึ่งสิ่งเป็นหลายๆสิ่งและจากความสุขเล็กๆขยายเป็นความร่าเริงผ่อนคลายอิสระอย่างสม่ําเสมอหากเราหาความสุขที่ใจได้ในทุกขณะจิตเราก็จะมีวินาทีแห่งความสุข ขยายเป็นนาทีแห่งสุขชั่วโมงวันเดือนและปีแห่งสุขจนกลายเป็นชีวิตแห่งความสุขไม่ช้าผลแห่งความดีก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในชีวิตของเราแต่จงอย่านำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่เขาทำมามากกว่า เพราะจะทำให้เสียกำลังใจหากจะศึกษาความสำเร็จของใครก็เพียงไว้เพื่อน้นอมนำมาพัฒนาตนให้สูงขึ้นด้วยปัญญาและความรู้สึกที่พร้อยยินดีการปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือการเจริญภาวนาสมาธิและวิปัสสนานั้น เพื่อถึงซึ่งความสงบระ ง, งับจากกิเลสอันเป็นบรมลุขนั้นก็ไม่แต่ต่างกันแต่อย่างใดเริ่มจากความเพียรครั้งแรกสุดที่เราประคองสติของเราไว้กับปัจจุบันขณะและพยายามอยู่อย่างนั้นล้มลุกคุกคานไปทีละเล็กทีละน้อยจนถึงจุดที่เรารู้เท่าทันการล้มเหล่านั้นและมูลเหตุแห่งความยั่งยืนของสติพัฒนากลายเป็นจิตที่มั่นคงเพราะอุดมด้วยปัญญาและสมาธิ คุณค่าของการเดินตั้งแต่ก้าวแรกแม้จะเป็นการล้มจะคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราไม่ให้ท้อถอยเปรียบเหมือนการถมหินลงในทะเลเพื่อสร้างถนนหินก้อนแรกที่ดิ่งลงไปนั้นจมหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก้อนต่อไปก็เช่นกันแต่หากทำต่อต่อไปทีละเล็กทีละน้อยวันใดที่กองหินได้เริ่มโผล่พ้นผิวน้าทะเล วันนั้นแหละเราจึงจะรู้ถึงคุณค่าของก้อนหินก้อนแรกในทางตรงกันข้ามความชั่วที่เราทำไปทีละนิดจนกลายเป็นความเคยชินที่ไม่รู้สึกละอายก็สามารถก่อให้เกิดความผิดบาปมหันได้การจรกรรมที่ยิ่งใหญ่แยบยนต์เริ่มต้นด้วยการหัด ลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่ดอกหรืออาถยากรรมใหญ่ๆซึ่งเกิดขึ้นเกิดจากความคิดเพียงชั่ววูบเดียวและความเครียดอย่างรุนแรงจนนอนไม่หลับก็มักจะเกิดจากการสะสมความคุนเคืองในเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเข้ารวมกันโดยที่ไม่รู้ตัวทุกๆสิ่งในโลกนี้ เกิดมาจากองค์ประกอบเล็กๆหากตั้งใจจะทำสิ่งดีๆหรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่จงอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆในน้อยมองดูป่าชาใดให้รู้สึกนึกรักคุณค่าของการสั่งสมสิ่งละอันพลัน้อยทีละอย่างที่อาจก่อให้เกิดความเต็มสมบูรณ์ได้ในที่สุดเหมือนป่าหน้าฝนอันใบไม้แต่ละใบได้สร้างขึ้นให้วิจิตพิสดาร เกินจะภรลนาและอุดมสมบูรณ์อย่างนึกล้ำไม่มีที่สิ้นสุด ไปนำเสนอเรื่องของฝ่าคลื่นฝืนลมในอดีตกาลพระราชาพระนามว่าหมหาชนกคพระราชสมบัติในกรุงวิทลาแคว้นวิเทหะพระเจ้าหมหชนกมีพระราโชรสอยู่สองพระองค์คือพระริทธาชนกและพระโปลชนกพระราชา พระราชทธานตําแหน่งอุปราชแก่พระราโชรสองพี่พระราชทธานตําแหน่งเสนาบดีแก่พระราโชรส อ, องน้องครั้นถึงการต่อมาพระเจ้ามหาชนกสวรรคตพระริทธชนกได้ครองราชสมบัติและทรงตั้งพระบรตรชนกผู้เป็นคณิฐาพาดาเป็นอุปราช อมาตย์ผู้หนึ่งใกล้ชิดพระราชาได้ไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าพระอุปราชใกล้จะปรองพระชนของพระองค์พระราชาอริษทานกทรงสดับคํำบ่อยๆก็ทรงระแวงจึงรับสั่งให้จําพระอุปราชด้วยเครื่องจองจําให้ขังไว้ในค้หลวงหาดหลังหนึ่งใกล้พระราชนิเวศมีผู้คุมรักษาแต่ด้วยอํานาจแห่งความสัตว์ราบปลชนกสามารถหนีจากที่คุมขัง แล้วเสด็จไปยังชนบทชายแดนแห่งหนึ่งชาวชนบทจำพระองค์ได้ได้บำรุงพระองค์พระราชาอริฏฐชนกจึงไม่สามารถจับพระองค์ได้พระโปาชนกประทับซ่องสมผู้คนอยู่ที่นั่นเมื่อมีอำนาจและบริวารมากขึ้นโดยลำดับทรงตำริว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ก่อเวร ตอบพระเชษฐาของเราแต่บัดนี้เราจะก่อเวรบ้างหลักจากนั้นทรงประชุมพลนิกายแวดล้อมด้วยมหาชนสเสด็จไปยังกรุงมิถิลาให้ตั้งค่ายพักแรมกองทัพอยู่นอกพระนครครั้งนั้นเหล่าทหารชาวนาครมิถิลาทราบว่าพระโปลชนกสเสด็จมาก็คนยึดโทประกรณ์เป็นอันมาก เข้ากับพระโปลชนกแม้พวกชาเมืองก็พากันเข้าด้วยพระโปลชนกทรงส่งสารไปถวายพระเทศถาว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์ไม่ได้ก่อเวรต่อพระองค์แต่บัดนี้ข้าพระองค์จะก่อเวรบ้างละพระองค์จะประทานเสวิตชัติแก่ข้าพระองค์หรือว่าจะออกรบพระราชาอริฏฐชนกทรงสะดับดังนั้นราถนาจะรบ แต่การรบครั้งนี้จะชนะหรือแพ้ก็ไม่อาจจะทราบได้พระองค์ทรงตรัสสั่งพระอาระมเมสีให้ดูแลรักษาพระคันให้ดีตรัสสั่งแล้วก็เสด็จกรีธาทัพออกจากพระนครครั้งนั้นทหารของพระโปรชนกยังพระราชาอริทธชนกให้ถึง ทีวิตตักใสในที่รบชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ว่าพระราชาสวรรคตก็เกิดกลาหนกันทั่วเมืองฝ่ายพระเทวีทรงทราบว่าพระราชาสวรรคแล้วก็ทรงรีบเก็บสิ่งของสำคัญและเงินทองใส่ในกระเช้าเอาผ้าเก่าๆปูปิดไว้แล้วใส่ข้าวสารข้างบน ส่งนุ่งภูษาเก่าเศร้าหมองปลอมพระกายของพระองค์วางกระชาบนพระเสียรแล้วเสด็จออกจากพระนครแต่กลางวันไม่มีใครจำพระนางได้พระนางเสด็จออกทางประตูทิศอุดรนไม่รู้จักหนทางเพราะไม่เคยเสด็จไปไหนไม่อาจกาหนดทิศจึงประทับที่ศาลาแห่งหนึ่งคอยตรัสถามว่ามีคนเดินทางผ่านไปนครการจําปากะไหมเพราะเคยทรงสดับว่า มีนครการจมปากกเท่านั้นแต่ด้วยอำนาจบุญบรารมีแห่งพระราชรถในระคภ์เท้าสกกะเทวราชจึงได้แปลงเป็นชายชราขับเกวียนพระนางจึงได้อาศัยนั่งเป็นเกวียนนั้นและแล้วก็มาถึงนครการจมปากก พระนางเสด็จลงจากเกวียนนัทที่ใกล้ประตูด้านทักษิณแล้วจึงประทับนั่งอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งขณะนั้นมีพรามชานครการจำปากะคนหนึ่งชื่ออุทิจพรามเป็นพรามมหาศารเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกแวดล้อมด้วยลูกศิษย์5้ารอคนได้กำลังเดินไปเพื่ออาบน้ำ พรามแลดูทางศาลาแต่ไกลก็แลเห็นพระเทวีเท่านั้นก็เกิดความรักราวกับว่าเป็นน้องสาวจึงให้พวกมานพรออยู่ข้างนอกเข้าไปในศาลาแต่เพียงผู้เดียวแล้วจึงได้ถามความเป็นมาพระเทวีก็ตรัสเล่าเรื่องให้ทราบพรามจึงรับว่าจะเลี้ยงดูพระนางเยี่ยงน้องสาวจากนั้นก็แนะนำพระนางแก่พวกลูกศิษย์ว่าหญิงนี้เป็นน้องสาวของฉันพัดพรากจากฉันไปตั้งแต่ครั้งโ น, น้น แล้วสั่งให้ลูกศิษย์ให้นำพระเทวีไปบ้านและบอกนามพรามณีว่าเป็นน้องสาวส่วนตัวเองก็ไปอาบน้ำเมื่อพรามกลับมาเรือนก็ได้สั่งคนว่าจงเชิญน้องสาวของเรามาแล้วบริโภคร่วมกับพระนางได้ปรนนิบัติพระนางในนิเวศของตนต่อมาไม่นานนักพระนางก็ได้ประสุมพระราชรถ มีผิวพันธ์ด่างทองพระเทวีขนามพระนามของพระราโชรสเหมือนพระอายกาว่ามหาชนกกุมาพระกุมารนัร้นทรงเจริญวัยก็เล่นอยู่กับพวกเด็กไคร ทำให้ขัดเคืองก็จะถูกพระกุมารจับตีโดยพระองค์มีพระกำลังมากเด็กเหล่านั้นร้องไห้เสียงดังและกล่าวว่าบุหยิงไม้ตีเราบุหยิงไม้ตีเราพระกุมารทรงคิดว่าพวกเด็กว่าเราเป็นบุดยิงไม้อยู่หนึ่งนงเราจะถามความนี้จากมารดาของเราให้ได้ เมื่อพระกุมารได้ทูลถามพระนางก็ตรัสลวงว่าพรามนั้นเป็นบิดาแต่ก็ไม่อาจลวงกุมารได้ในที่สุดจึงตรัสเล่าความจริงให้พระกุมารทรงทราบโดยดี